เมื่อวานพวกเราก็ได้นะทั้งปฏิบัติธรรมเนาะเจริญนะสติแล้วก็มีกิจกรรมนะนะให้เราระลึกถึงมรณ า, านุสตนะิที่จริงทั้งสองส่วนแนละ้วก็มันจะมีความเกี่ยวข้องกันก็ ค, คือการมีสตินะสติ ค, คือการระลึกระลึกได้นะ เราจะเดิญสติปฐานก็คือเราเลือกน่ะสติน่ะไปทั้งกายเวทนาจิตธรรมส่วนมรณานุสติก็เป็นสติที่ให้เราเลืกถึงถึงความตายเราเลืกถึงความตายที่อาจจะเกิดกับคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราซึ่งอาจจะเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรเราก็ไม่ทราบได้ ต่ตายเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบได้นะหรือความตายนะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรจะเกิดขึ้นอย่างไรนะี่เมื่อเกิดแล้วจะส่งผลให้ไปที่ไหนนะมันก็ไม่สามารถดูไดนะ้ส่วนัารลับรู้ถึงความตายที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองก็เป็นสิ่งที่ที่สำคัญเหมือนกันนะ ในชีวิตประจําวันที่เราพบเจอกับคนที่เจ็บที่แก่ที่ตายเนะยาะเนี่ยบทพระธรรมนะบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวนะคือน้อมเอาความจริงว่นะเข้ามาใส่ตัวเราว่าเออตอนนี้คือปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนนะแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราวันใดวันหนึ่งก็ได้นะีถ้าเราน้อมเข้ามาใส่ตัวบ่อยๆมันจะทําให้เราเหมือน เหมือนเป็นมีภูมิคุ้มกันเนาะถ้าเปรียบเทียบกับเราฉีดวัคซีนนะล้วก็มีภูมิคุ้มกันป้องกันโรคนะที่มันจะมาเข้ามาที่หลังก็ทําให้โรคนั้นมันไม่ไม่ทําอันใ ด, าดากับเรามากการที่เราเลือกถึงเนะี่มรณานุสติบ่อยๆนะมีธรรมะน้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยมันเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันเราเนะมื่อวันที่มันเกิดเหตุการณ์ นั่นกับเรานะมันก็จะทําให้เราตั้งสติได้เร็วขึ้นนแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้นั่อสิ่งที่เราขนน้อมเข้ามาใส่ตัวนะการที่เราเลิกถึงความตายนะอยู่เป็นประจำพระพุทธเจ้าท่านถนัดเคยถามพิสุทธ้งหลายว่าวันวันหนึ่งพวกเธอเลิกถึงความตายบ่อยไหมนะ บางรูปแฟนก็ตอบว่าก็วันละครั้งครับบางรูปก็บอกว่าตอนเช้าตอนเย็นตอนค่ําครับ่นะถามในลาบางรูปก็บอกว่าก็รึกถึงนะทุกชั่วโมงนะบางรูปก็บอกว่ารึกถึงนะทุกนาทีพรนะเจ้าท่านบอกว่าท่านก็ถามไปเรืนะ่อยท่าบอก บางครั้งเวลากถึงทุกคํำข้าวทุกขณะนทุกวินาทีพระเจ้าก็สรรเสริญพิสูจที่ได้ลึกถึงความตายไหวประมาณวินาทีลักคั้นหรือว่าเลือกทุ ก, กขณะจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าเราไปคิดว่าโอ้ต้องคิดถึงความตายต้องใช้ความคิดแบบนั้นทุกวินาทีเนี่ยเราก็ไปทําอื่นๆไม่ได้เนาะ แต่จริงความหมายพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะแต่คือว่าการนั่นลึกถึงความตายมีอีกชิ้นหนึ่งก็คือการที่เราไม่ประมาทในชีวิตนั่นแหละคือไม่ใช่ว่าเราต้องคิดบริกรรมว่าตายหรือต้องคิดถึงเรื่องคนตายตลอดเวลาแต่การที่เราไม่ประมาทในชีวิตนั่นแหละคือการที่เราระลึกถึงความตายอยู่เสมอเป็นการเตรียมตัวตายอย่างอย่างดีที่สุดแหละ ตายเมื่อไหร่ก็ได้เนะี่ยนี่คือะระลึกถึงความตายนะคือพร้อมที่จะตายนะแต่ถ้าคนไม่พร้อมที่จะตายเราก็เห็นเนาะว่าการที่ไม่พร้อมที่จะตายมันทรมานมากนะประสบอุบัติเหตุนะบาดเจ็บหนักมากนะีพวกนี้ก็ยากที่จะพร้อมที่จะตายเพราะมันกระทันหันหรือคนที่เขาป่วยนะหนักๆ น, นะรักษามาต่อเนื่องนะแต่หลายคนก็ ยังไม่พร้อมที่จะตายเนาะก็ยังก็ยังอยากจะหายเพราะยังมีห่วงมีความกังวลอะไรอยู่แต่ถ้าคนที่เขาเตรียมตัวไม่ดีนะความตายก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่นอนนะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะรับมือกับมันนะเหมือนอาจารย์กำพลนะท่านก็พูดถึงความตายนะพูดพูดถึงเหมือนคล้าย แต่ไปเจอเพื่อนเก่าอืต้องเจอแน่นอนก็ไม่ได้ว่าเสียใจที่ต้องไปเจอเ อ, อมาจุลาล ะ, ะแต่พูดถึงเออเหมือนก็กลับไปหาเพื่อนเก่าซึ่งเราก็ไมปร่วมเห็ยนว่าแต่เสินมานานเท่าไหร่หลวงพ่อคำเขียนเองก็เหมือนกันท่านก็เตรียมตัวตายอยู่เสมอเมื่อถึงวันที่ท่านละสังขารก็ ก็ละไปอย่างสงบนะละไปแบบไม่มีความกลัวว่าจะตายตายแล้วจะไปที่ไหนคือคนทั่วไปพอพูดถึงความตายบางทีเราไม่อยากพูดนะเราถือว่าเป็นเรื่องอัมงคลเป็นเรื่องที่มันพูดถึงเป็นาง ร, าร้ายอันนั้นคนทั่วไปก็คิดว่าอย่างนั้น แต่ในทางธรรมะพระเจ้าท่านสรรเสริญการนั้นถึงความตายอยู่เสมอท่านบอกว่าเป็นการพูดแล้วทําให้เรามีสติไงเราไม่ประมาทในชีวิตใช่ไหมถ้าเราพอคิดดีๆนะวันหนึ่งเราก็ต้องตายไอ้ที่เราหามาเนี่ยเราหามาเพื่ออะไรกันนักหนานะไรเนาะส่วนหนึ่งเราก็หามาเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันอีกส่นหน่าอาจคิดว่าเอาไว้เผื่อให้คนอื่น เขาใช้ต่อแต่ก็ไม่รู้ว่าออบางทีเราก็ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อการหาสิ่งที่ทั้งตัวเราเองก็ดีหรือว่าทั้งคนที่เรารักเองก็ดีพอตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งทางชีวิตที่เราหามาเพื่อสิ่งนี้มันจะคุ้มหรือเปล่านะมีมีกรอันหนึ่งนะ เ, ออเขาแต่งไว้ดีเขาบ ผู้ชมก็คงเห็นนะเนอะเงินทองนะส่งถึงโรงพยาบาลนะเห็นชัดๆนะมีเงินมีทองมากขนาดไหนก็ส่งได้ถึงแค่โรงพยาบาลนะ ม, มีเงินมากหน่อยก็ส่งโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลชี่อดังนะลนะูกหลานส่งถึงนะเชิงตนะกอนบุญกุศลส่งถึงชาติหน้านภะาวนาส่งถึงนิพพานเงิ น, ะ น, นทับถินเงินทอง อย่างมากก็ส่งเราได้ถึงแค่โรงพยาบาลนะเอาเอามาใช้ได้จริงๆก็ถึงตอนวันที่เราตายนะก็แค่นั้นนะจะมีเงินมากขนาดไหนโดยขนาดไหนนะไปโรงพยาบาลไหนถ้าถึงวันจะตายก็ต้องตายเนะ่วนลูกหลานญาติชนิดมิตรหายที่คนที่เรารักหรืออย่างที่เราได้ทำเนาะคนที่เรารักพอเขาตายไปเราก็ส่งเขาได้อย่างมากก็เพียงแค่ วันที่เขาเผาส่งไปเชิงตะกรสดายสังค า, ข, าของเขาแต่บุญกุศลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันส่งไปสู่ชาติหน้าได้นบุญกุศลนะที่เราทํานี่แหละมันจะเป็นตัวนําพาชีวิตเราสมมติถ้าเราเยอะไหมดนะยังไม่หมดกิเลสตัณหาเนาะมันก็ยังต้องบินวไหวตาเกิดบุญกุศลเนี่ยจะส่งให้เราไปเกิดนะ ในภพภูมิที่สมควรนะครําว่าภพภูมิที่ดีนี่ไม่ใช่ว่าไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมลโลกอะไรนะเพราะที่จริงนะั้น้าบอกในตําราเขาบอกว่าเทวดานางฟ้าเนยะเวลาเขาจะหมดอายุไขนะเขาก็จะโวยพรกันนะให้ให้มาเกิดบนโลกมนุษย์แต่มนุษย์เราอวยพรกันให้ไปเกิดบนสวรรคนะ์มันกลับกัน มนุสคิดว่าบนสวรรค์มันดีมันสบายแต่เทวดานางฟ้าก็บองว่าบนโลกมนุษย์มันดีกว่ามันมีธรรมะนฮความสุขสบายพอดีพอดีความทุกข์ก็พอดีพอดีนะคือมันก็มีสุขมีทุกข์แต่ที่สําคัญมีธรรมะมีพระพุทธเจ้าโปรดเ น, นี่ยเทวดาเขาโวยพร อ, อย่างนั้นนะให้ไปดีให้ไปที่ชอบไปที่ชอบนะ ไปที่ชอบจริงๆก็คือเนี่ยไปที่ที่มันสามารถที่จะเรียนรู้ฝึกหัดจิตใจได้เนยบุญกุศลนมันก็ส่งส่งเราไปให้ไปพบกับสิ่งที่ที่ดีที่ควรเนาะแก่การประพฤติปฏิบัติของเรานั่นแหละนะซึ่งตรงนี้นะมันเหมือนสิ่งที่เราปฏิบัตินะมันมันไม่ได้หายไปไหนหรอกนะวันนี้เราปฏิบัติยังไม่เข้าใจนะแต่มันก็เป็นเหตุปัจจัยถ้าเราปฏิบัติต่อเนื่อง ไอ้ที่ยังไม่เข้าใจวันนี้ที่ยังผิดวันนี้นะมันก็จะทําทให้เรามีบทเรียนพรุ่งนี้หร่อาไปทําได้ดีขึ้นนะวันพรุ่งนี้เรายังทําไม่ดีนะแต่ถ้าปฏิบัติต่อเนื่องปีหน้าเราอาจจะทําได้ดีขึ้นนะปีนี้ชาตินี้เราทําไม่ดีนะแต่ชาติหน้ามันก็ส่งผลนะเราดูก็ดูง่ายๆก็ได้ทำไมแต่ละผลเกิดมานะถ้าพูดถึงสระระร่างกายนะ ออกมาจากท้องแม่เนี่ยมีอวัยวะเท่ากันแต่หลังจากนั้นแล้วทำไมเด็กแต่ละคนนะมีบุคลิกแตกต่างกันนะมีสติปัญญามีจิตใจที่แตกต่างกันเพราะว่าบุญกุศลที่แต่ละคนทําต่างกันนั่นแหละนประกอบกับบุญกุศลตรง น, นี้ก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้ได้เจอกับเหตุปัจจัยภายนอกที่คืออะ่ะหรือว่าบางคนก็ เจอเหตุปัจจัยที่มันไม่ค่อยเอื้อเท่าไหรมันก็คือบุญกุศลนั่นแหละที่แต่ละคนได้ทํากันมาเนะีบุญกศุศลนะที่จริงมันก็ถ้าจะว่าส่งถึงชาติหน้าไม่ใช่ว่าไปรอส่งผลชาติหน้าเท่านั้นนะคำว่าส่งถึงชาติหน้าคือมันตั้งแต่ชาตินี้ตั้งแต่ที่เราทรํานั่นแหละเจอตั้งถึงชาติต่อๆไปนะไม่ใช่ว่าบุญกศุศลเนี่ยไปรอไปรอได้รับตอนชาติหน้านะ ส่งถึงชาติหน้าก็คือว่าเราทําบุญกุศลตอนนี้นะเราก็ได้รับความสุขใจตอนนี้ได้รับความเบาใจสบายใจปลดทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราได้ในชาตินี้แล้วก็ส่งผลต่อต่อไปด้วยส่วนภาวนาเนาะส่งถึงนิพพานน ะ, ะนิพพานคืออะไรนิพพานคือความความเย็นใจนะ คนเวลาณเขาพูดว่าอย่างข้าวเหนียวนะหุ่มร้อนๆ น, น่ะคนเวลาเขาบอกว่ารอให้ข้าวมันนิพพานก่อน <c oughs> ก็คือรอให้ข้าวมันเย็นก่อนเออถ้าไปกินแล้วร้อนมันมันลวกนิ่ม น, น่ะมันถ้าเป็นซุปก็รอให้ทุปมันนิพพานก่อนนะ <c oughs> มันคือรอให้มันเย็นสักหน่อยภาวนาจริงๆก็คือเนียให้มันเกิดความเย็นใจน่ะเกิดความไม่ทุกข์ใจเนาะ อันนี้คือภาวนาก็สมสถึงตรงนั้นแต่คำว่านิพพานเนี่ยเราอย่าไปมองว่ามันเป็นสถานที่นะมันเป็นมันเป็นอะไรที่เรามัต้องจับต้องแบบให้เป็นรู ป, ปรธรรมได้นิพพานจริงก็คือความความไม่ทุกข์นั่นแหล ะ, ะ, ะเราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่ทุกข์ใจนัเราก็มีนิพพานอยู่ตรงนั้ น, น, น, นไม่ใช่ว่าอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่บ้าน หรืออยู่ที่ประเทศไทยหรือยอยู่ต่างประเทศนะนิพพานอยู่กับใจของเรานั่นแหละนะถ้าใจเราเย็นสงบนะเราก็พบนิพพานที่ตรงนั้นนะี่เราภาวนาต่างๆนะนะมันจะทําให้เราถ้าเรามีสติจะทําให้เราได้ว่าอ๋อเงินทองเหตุปัจภายนอกมันก็เป็นสิ่งสําคัญอยู่นะแต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตนะ เป็นสิ่งที่เราก็เอามาใช้เพืนะ่อจะได้ดะมุงชีวิตยางไม่เดือดร้อนไม่ลาบากมากนะเราไม่ต้องไปห่วงมากนะบางคนก็คิดว่าเราต้องมีเยอะๆจะได้สบายจะได้เจ็บป่วยจะได้มีการรักษาที่ดนะีที่จริงมันรักษาดีขนาดไหนก็ตายเหมือนกันนะอันนี้แต่สิ่งที่เราควรจะทำทจริงๆนะมาว่า การทำใจนะเพื่อเตรียมตัวแล้วก็พร้อมนะที่จ ะ, ะเผชิญกับความตายความตายในที่นี้ก็คือความตายที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองก็ดีนะใช่ไหมเหมือนเราเด้นกิจกรรมนะขนาดคนที่เรารักตายไปทีละคนทีละคนนะบางทีใจเราก็ยังแบบเลือกไม่ถูกว่ามัน ไม่ก็ไม่อยากให้ใครไปก่อนนะแล้วก็ไม่อยากให้ใครไปไม่ดีนะแต่ก็ยังสะเทือนใจเล็กๆน้นอยๆว่าเป็นเป็นเกมนะแต่มันก็สะเทือนใจบางคนบางคนสะเทือนใจมากจนร้ อ, องไห้จนไม่อยากเล่นเลยนะแต่ถ้าวันหนึ่งที่เราต้องจากทุกอย่างไปเนะี่ยคืออันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คนภายนอกทยอยาจากเรานะแต่เราเนี่ จากทีเดียวทั้งหมดเลยมันหนักกว่านะคนที่เราดั๊กนะหกเจ็ดคนหรือรอยคนนะเร า, ากเขาทีเดียวเลยนะของที่เรามีเราก็จากทีเดียวเลยนะมันเป็นสิ่งที่ก็ทาใจยากนะถ้าเราไม่เคยฝึกนะแต่ถ้าเราเคยฝึกนะออมันก็จะทำใจไดนะ้วันหนึ่งที่เราต้องตายก็ตายก็ตายนะ ตายก็ตายตายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่นักปฏิบัติธรรมนะบางทีก็จะเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งคือห่วงว่าจะตายไม่ดีำคำว่าตายไม่ดีก็คือตายแบบขาดสติตายแบบงลงเพ้อตายแล้วก็ไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีนักปฏิบัติธรรมบางคนก็จะกลัวตรนะักลัวว่าตอนตายจะขาดสติ แต่ที่จริงนะก็มีมีตัวอย่างหนึ่งมีโยมคนหนึ่งเขาก็ฝึกฝึกปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อสำเขียนมามาหลายปี เ, เขาไม่มีพรอบครัวนะก็อายุเยอะพอสมควรแล้วแล้วก็ป่วยเป็นมะเร็งก็รักษาตัวมานานพอสมควรจนจนรักษาไม่ได้แล้วเขาขอขอพี่น้องนะให พาเขามาอยู่ที่วัดป่าสุกโตนะเขาก็มาอยู่วัดป่าสุกโตเป็นกุฏิที่พี่ชายเขามาสร้างไว้ก็มีน้องสาวมาดูแลด้วยนะก็มีกันนะก็คนป่วยแล้วก็น้องสาวมาดูแลก็มีพระมีแม่ชีมีใครที่รู้จักก็ไปเยี่ยมบ้างนะเขาก็ตั้งใจปฏิบัติทรมาหลายปีละ ว, วันนึงอาจารย์พิสารน่ากะเยี่ยมนะ ก็ถามเขาว่ามีห่วงอะไรไหมเขาบอกมีห่วงแต่ว่ากลัวจะตายไม่ดี <c oughs> อาจารย์ในสายนเลยแนะนำว่ามไม่ต้องกังวลหรอกตอนนี้เป็นยังไงนะตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนะหม่ถึงไม่ได้ทุกข์ใจอะไรนะถ้าตอนนี้ไม่ทุกข์นะแต่ตอนตายก็ไม่ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละคือถ้าตอนนี้มันดีนะมันก็ตอนตายมันก็ มีโอกาสที่จะดีสูงแต่ถ้าตอนนี้ไม่ค่อยดีนะตอนตายก็มีโอกาสที่จะไม่ดีสูงนั้นถ้าเราจะกลัวการตายไม่ดีนะที่จริงให้กลัวตอนเนี้ยมันอยู่ไม่ดีนะี่แหละมันจะเป็นเหตุทำให้เกิดการตายไม่ดีแต่ถ้าเรามีสตินะในตอนนี้นะก็มีสติไปเรื่อยๆนะมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้มีสติไปถึง ตอนที่เราตายนะถ้าเรามีสติจริงๆนะมันจะเห็นว่าไอ้ที่มันตายมันคือร่างกายนะอนะ่มันคือร่างกายมันคือรูปที่ตายนะแต่ใจมันก็ไม่ใช่เป็นไม่ได้เปยึดว่าเป็นเราตายลนะสิ่งที่คนรักมาที่สุนเนี่ยคือกายนะ <c ười> คือกายเราดูแลกายเรารักษากายนะ เราห่วงกายเยอะมากนะเราเอาความสุขมาให้กายเนาะกินดื่มแต่งหน้าทาปาบใส่เสื้อผ้าต่างๆเพื่ออยากให้กายมันมีความสุขนะที่จริงก็กายเองมันก็เป็นแบบนั้นแหละนะแต่จริงไอ้ที่มันถูกจริงๆก็คือความพอใจนะพอใจที่ได้ทํามากกว่านั้นกายถ้าเรามองดีๆนะมันก็เป็นแค่เหมือน คล้ายๆเหมือนสมมดคนมีรถเนาะคนมีบ้านแล้วก็แต่งรถแล้วก็แต่งบ้านแต่ถามว่าบ้านจริงมันเรียกร้องให้เราแต่งขนานนั้นหรือเปล่า <c oughs> มันไม่ใช่บ้านหรือรถไม่ได้เรียกร้องเราขนานนั้นนะแต่คนขับนั่นแหละหรือคนใช้บ้านนั่นแหละนะเขาอยากจะแต่งของเขาเองนะเพราะคิดว่าอยากจะมีความสุขร่างกายเองเขาก็เหมือนกับวัตถุอย่างหนึ่งเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรมากไปกว่าปัจจัยสี่ลรอก ไอ้ปัจจัยข้างนอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาละแต่จิตใจนี่แหละมันสําคัญนะถ้าเรายังไม่สามารถละความห่วงอะไรอาวอร์ต่างๆได้เนะมันจะทําให้เราเป็นทุกข์ใจมากนะการที่เรามาฝึกปฏิบัติธรรมนะมันก็เหมือนเป็นการที่เราสะสมบุญกนนะุศลไปในตัวคือมันทําให้เรามีความสุขในตอนนี้นะแล้วก็จะมีความสุขต่อไปจนถึงวันที่ตายนะ หรือมันทำให้เราได้พบกับนะอย่างที่ว่าการภาวนาก็ทำให้เราพบนิพพานนะให้เรามีนิพพานเป็นเป้าหมายนะคือใช้ชีวิตอย่างไม่ทุกนะจะเจออะไรก็แล้วแต่นะเราสามารถเรียนรู้เขาแล้วก็ไม่ทุกข์กับเขาได้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะแก้ว่าเราจะไม่ทุกข์แล้วนะเราแก้ว่าเรา ไม่ไม่มีความห่วงไม่มีความกังวลอะไรแล้วนะแต่การฝึกการปฏิบัติคือว่าให้เรารู้เท่าทันนะเวลาเราห่วงอะไรใครนะเรากังวลเรื่องอะไรนะเราก็รู้นะรู้แต่ก็เหมือนก็ยอมรับได้นะก็เตรียมใจ <c ười> ก็วางใจได้นะย่จะมาขอยกตัวอย่างตัวเอง น, นิดนึงนะ ให้มันชัดขึ้นนะคืออย่างมู่วานเะนี่ยมาก็ทราบข่าวอันหนึ่งแต่ก็พอดีโยมแม่จมาก็เป็นมะเร็งไขกระดูกอย่างหนึ่งก็ทักษามาหลายเดีย้์แหละนะอย่างตอนนี้ก็เลือเลือดขาวเหลือแค่พันกว่ากว่านะก็ไม่ใช่เลือเลือดขาวเก็บเลือดเก็บเลือดถ้าคนปกติก็ต้องแผนค่าขึ้นไปใช่ปะ เหลือแค่พันกว่าๆนะีโอกาสความเสี่ยงที่ที่เรือจะออกได้เยอะมากเลยนะออกข้างนอกก็ได้ออกข้างในก็ได้นแล้วก็เออเราก็รู้ข้อมูลอยู่ก็ร็ลึกถึงนะ <c oughs> ถ้าเขาจะเป็นอะไรล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะถ้ามันจะเป็นแต่ตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลก็แล้วแต่ว่ามันจะเกิดอะไรนะก็ให้เขาเตรียมตัวเตรียมใจเหมือนกันแหละนะว่า มันจะเกิดอะไรก็ก็เกิดแต่ตอนเนี้ยให้ทําใจสบายๆเนาะอย่าไปกังวลอย่าไปเครียดอะไรหรือถ้ามันจะเครียดมันจะกังวลก็ให้เรารู้เท่าทันใจของเราเองเปิดมาเอก็รู้นะว่าก็ที่ห่วงก็คือห่วงว่าเขาจะกังวลใจนั่นแหละนะแต่เราก็ทําได้เพียงแค่บอกนะก็แค่บอกก็แค่ช่วยเตือนว่าให้เขาทําใจแบบไหนเนาะ แต่ท่ามันจะเกิดอะไรจริงๆก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่สามารถทําได้แล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึ่ที่เราก็เหมือนคล้ายๆหน้าที่ที่เราต้องทําต่อกันด้วกันเราทําอะไรได้บ้างเราก็ทำนะแต่บางอย่างเราก็ไม่สามารถจะทําแทนเขาได้เราเองก็ต้องทําใจยอมรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นใช่ไหมอาจารย์เบสานท่านแนะนําไว้นะ่ะให้เราทํากิจ แล้วก็ทําจิตอจิตอะไรที่เราปึุงจะทําต่อกันเราก็ทําอำแต่จิตใจนะมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําเองนะถ้าจะช่วยได้ก็ช่วยกันบ้างแต่ถ้ามันช่วยไม่ได้ก็ก็ต้องยอมรับกรรมใครกรรมมันนะอเราก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้อันนี้คือเราเองก็ต้องแบบนั้นนะบางที หมอพยาบาลก็ช่วยเราได้แต่เรื่องร่างกายนะหรือยาติพี่น้องก็อาจจะช่วยให้เรามีความอุ่นใจมีความสบายใจขึ้นแต่ตัวเราเองนะหรือตัวผู้ป่วยเองนั่นแหละมันเป็นเหตุปัจจัยที่สําคัญมากว่าเขาจะยอมรับความจริงเขาจะฝึกหัดตัวเองได้ได้ไ ม, มากขนาดไหนอันนี้ยคือสิ่งที่ที่ทุกคนเนาะก็ต้องเตรียมใจไว้นะเตรียมใจไว้นะที่จะ พร้อมเผชิญกับความตายที่อาจจะเกิดกับคนใกล้ตัวเราวันใดวันหนึ่งก็ได้นะหรืออาจจะเกิดกับเราวันใดวันหนึ่งก็ได้นะเพื่อเราจะได้เรียกว่าตายดีนะการตายดีคือการตายอย่างสงบตายอย่างไม่ทุกข์ใจนะก็ฝากไว้นะ